ตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปฝากจีวรไว้กับภิกษุณีทั้งหลายแล้วมีเพียงอุตตราสงกับอันตรวาสกจาริกไปสู่ชนบทในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐาน เกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกถินะสมุทฐานละ